ฟังทำกันตอนเช้าตอนเย็นก็ <c oughs> มีส่วนร่วมกับท่านทุกท่านที่พยายามที่จะสร้างตนเองให้เป็นีนพื้นของตอนเองแลวก็เป็นีนพื้นของเจริน ผู้อื่นได้แม้ว่าอายุแก่แล้วก็ยังมีน้ำใจบางทีก็เจ็บกยได้ป่วยก็ยังมีน้ำใจอยู่เพเป็นส่วนร่วมกับการปฏิบัติธรรมอืม <c oughs> <c oughs> หลายอย่างที่เราจะต้องให้เป็นส่วนประกอบกับการพัฒนาตัวเองน อ, อกจากธัรมวจิณณ์ว น, นวายพระสาทยายคำสอนพระพุทธเจ้าเราก็ยังมีส่วนอื่นที่ต้องศึกษาต้องได้ยินได้ฟังและยังไม่มี การปฏิบัตินำกายนำใจของตนไปทำความดีไปเจริญสติที่เป็นอะไรที่มันเป็นสติที่เป็นความดีที่เป็ น, ปนสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดติก็หาหามาเสริม บาง ท, กาทีการเดินสติการเดินยังคงการส้างจังบะบางทีก็มันง่วงก็ทำไวๆทำแรงงแต่ว่าเมื่อมันหายง่วงแล้วก็ตํำจะจะใหม้มันพอดีพอดีถ้าเกิดไปก็ไม่ดีเดินยังคงก็เหมือนกันบางทีมันไม่ทันความคิดคิดมาก ก็เดินหน่ยไวเดินน่ยไโดยเพราะผู้วําเพนทางกิดนอกจากเมื่อเรารู้รูปรู้น้มแล้วก็จะเดินนี่ทันความคิดกว่าการสร้างจังหวะ พอ ก, การเดินเนี่ยมันเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกายมันปลุกให้ตื่นดีงั้นก็ถ้มันคิดบางทีความคิดก็ไหลเหมือนกับน้ำทันทะเลไหลไปสันติเกิดขึ้นทันทะเลก็ไหลไปอีกก็เดินไวไหวนะเดินไวไหว ถ้ามันรู้ทันแล้วก็เดินชาๆก็พอดีพอดีไม่ต้องชาเกินไปหาเอาหาเอบางคนมาถามว่าจะเดินกี่ชั่วโมงจะนั่งกี่ชั่วโมงก็เล้วแต่แต่บางทีมันเดินมันรู้ดีก็เดิน สนุกดีลืมไปบางทีมันนั่งดีก่อนนั่งสร้างเยาวไปดีละครั้งฉันเพนแล้วยังสนุกกับการปฏิบัติก็ไม่ต้องไปก็ได้ถ้ามันสนุกกับการปฏิบัติแล้วแต่ บางทีมันทันต่ อ, อความหลงความลูกมันงอกงามก็ให้โอกาสความรู้มันงอกงามเจ่วงสองเจ้าวงไ <c oughs> ปไปอะไรเลยฝรั่งเจ้พูดภาษาได้ดดรอ่อนเลย พัดลมหรือเปิดไฟแต่พ่อมีแอ์นะแบบซื้อแอามาอย่างเดีย ว, ไ ม, ยวไม่ต้องเปิดหรอกไฟอย่างเี้อยู่นี่แหละมือมือตัวเนี้ยมันดีหรอออ เ, <c oughs> เองที่นี่มีพลมมีไฟมีแสงสว่าง กาจารยวเทพการย์เติมบอกแบบให้อย่างดีเลยเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติธรรมน่ะแหละจะเพื่อความสะดวกอันเกิดการเห็นเฉดตัวเพื่อปฏิบัติธรรมอะไรอะไรก็เพื่อเจริญสติอมีเต่ามุ้งที่บางม further, ีอาหารการกินมีท mm ี hmm. ่วัดใส่ มีกัลายาณมิตรมีเพื่อนมีธรรมะเรว่อสัพพช ะ, ะก็ให้มันพอดีผู้เฟยก็เป็นดีอ่อนแดก็ไม่ดีทุกยากลำ บ, บากก็เป็นดีให้มันพอดีพอดีกับเราความทุกข์ความยากเราแต่เราจะสมุดหรอกแม้นไม่ได้กินข้าวก็ไม่ใช่เรื่องทุกเรื่องยากมเข้าไปพอดีของมันอยู่ การปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรที่ขาดตูวข้องนะถ้าเราเจริญสติมันปรับได้ทุกทุกอย่างอันเกี่ยวกับกายกับใจของเรานะ่ไม่ได้บรมลงแค่ว่าร่างกายไม่ใช่ทิ้งกายไปเอาใจอย่างเดียวก็ไม่ใช่มันก็ไปเรืยอกันนั่นแหละ โดยเฉพะรูปแบบของการเจริญสติตามหลักสติปัฏฐานการเคลื่อนไหวเนี่ยการเดินจงกลมเนี่ยการนั่งการเดินเนี่ยนั่งห้อยเท้าเก้าอี้นั่งขัดสืาก็พอดีเท่านั้นพอดีเท่านั้นถ้าเราทำไปนานๆเนี่ยนั่งเนี่ยโอ้สนุกดี ทำใหม่ๆอาจจะนั่งไม่เคยติดแง่วงนะถ้าทำไปๆนั่งเนี่โอ้ยดีหนู <c oughs> ได้นั่งเราสุดหัวใจเลยแต่หลวงพ่อชอบนั่งพิงเสาหน้าสามกติหลวงพ่ออยู่พุทธยานเนี่ยนั่งพิงเสาหน้าสามเสาลอยแบบนี้ ไม่น่าสามพิงเอาก้นเข้าชิดๆกับเสานั่งให้ตัวแนบไปกับเสาซ่อนกันว่าแม่นหลังคาต่ำๆตังแต่สีมุงล้อโล่ก็ไม่ดีคิดว่ามันทรมานเลยเงือไหลเป็นรอยนั่งเลยเป็นวันที่มันออกว่าเป็นรอยนั่งเล นั่งกระดานทำล า, ายแบบไม่ไม่ผู้บอกอาชนะแบบนี้นะ <c oughs> นั่งกระดานพื้นดูดูจนเป็นรลอยนั่งถูก็ไม่ออกมันเป็นหมัดอยังคิดเห็นอยู่กติตากแดดต้นไม้เตี้ยเตี้ยเขาทำไร ไฟเสร็จใหม่ๆแล้วเขาก็เลิกไปเขาคืนให้พวกเราเขาคืนให้วัดแล้วก็ไปผูกปกติขยายไปอยู่ใกล้ๆหมู่หลวงพ่อเป็นคนไปผูกเองทำแบงอยู่เองนั่งเ่โอ้สะดกดีเดินก็สนุกนะรู้พวกเราสะดกกับปานั่งกันเดินไหมหรือว่าอยากนอนเน จะนั่งเอ้ยหาวอยากนอนหาหลบไปนอนจ้ะนั่งก็อ่อนแอถ้าระบบพอดีมันมันอยู่ได้นานชีวิตของเรานะหลายอย่างนะไม่แต่การเจ็บป่วยเนะี่ยถ้าระบบดีๆเนะี่ยมันก็มีส่วนที่ทำให้สู้กับความเจ็บความปวดได้ สู้กับโครคภัยไข้เจ็บได้จะเราปรับพอดีพอดีนะมันน่าอัศจรรย์นนะชีวิตของเราร่างกายจิตใจธรรมะเข้าไปนะอยากมีส่วนนี้ให้พวกเราได้หยิบมาใช้กับชีวิตของเราเราไ ม, ควา ม, ม, าามความเจ็บเป็นธรรมดาเราไมความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราไม่เคยตายเป็นธรรมดา อยาให้ความเก็บอยาให้ความแก่มันชนเราจนเกินไปอยาให้มันถูกความแก่หลบมันอยาให้ความเแกบมันถูกหลบมันอยาให้ความตายมันถูกหลบมันลูหลบเป็นปีกรูกดีกเป็นหางมันกับินหนีได้เราจะพูดตนนะี้ปีกับะหังนี่เหมือนน ก, ก น, นั่นนะ ได้ยินไหมได้ยินไหมหลวงพ่อพูดเองวันไหนจะมาสารพูดหลวงพ่อไม่ได้ยินโหโหนกนะโหไม่คดีเท่ากับเมื่อนเลยขอมีส่วนร่วมกับการปฏิบัติแม้ทำอะไรที่ไม่ประโยชน์จากมีส่วนร่วมทาง อาจารย์ตมอาจารย์วุฒิเทพออกแบบต่อศาลาเนี่ยก็มาขอมีส่วนร่วมค่อยเจ็บโนนเจ็บนี่กับอาจารย์เนี่ยข้างบนบ้างข้างล่างบ้างท่านตั้งต๊ะหมูจิาขอมีส่วนร่วมกับท่านจับโน่นจับนี่ไปตั้งต้ะโนนต๊ะนี้อะไรที่มันขยักขยี้ลุกลุ่มลังเนี่ยขอมีส่วนร่วมทําให้ตรงนี้มันสะอาดสักหน่อยนั่นก็สะาจริงอยนี ไม่ใช่ดูได้อยากมีส่วนร่วมกับทุกสิ่งทุกอย่างอ้าวอยากมีส่วนร่วมการปลูกต้นไม้กับวัดป่าสุกันโตเพื่อลูกหลานที่จะผู้ดีมากลูกสุดท้ายไปหลังอยากทําอะไรที่มันเป็นสะดวกแก่การปฏิบัติธรรมอยากมีส่วนร่วม ทุกๆอย่างไม่ใช่ดูได้นะเนี่เป็นสิ่งเวดล้อมสำหรับชีวิตเรามีน้ำใจนะอย่าเหือแท้งเดี๋ยวนี้โลกเหือแท้งกันมากแขนแย่ตัวทอนไรก็มาอยากทำโลกกำลังต้องการความช่วยเหลือของมนุษย์ ของคนเราเนะี่ยมากทีเดียวเลยโดยเพราะเรื่องของธรรมะเนี่ยวันหนึ่งเขาภาพภาพรูปใกล้ก็ว่าคนแล้วเขากืนพระสงฆ์เข้าไปเห็นแต่มือออกมาด้หนึ่งมันเกินไปมากแล้วนะก็ว่า อะไรมันคกนกิ น, นพุท ธ, ธรรจารนาเข้าไปกันแล้วพ็อสองเนี่ยกวักให้อุปโภคบริกามาช่วยด้วยมาช่วยด้วยก็ไม่ค่อยมีใครมาช่วยมีแต่จะกืนเข้าไปให้หมดสัสนาอะไรต่างๆพิธีดีตองี๋ยวนี่ก็มีอะไรนะมีอะไรอาจารย์ลูกอะไรเราทำกัน รูปอะไรเี่นะรูปอะไรอ่ารูปอะไรช่างมามันอ่าเขาขึ้นชื่อลือชากิดที่จุดดังไปหมดแล้วเดี๋ยวนยี้เมืองไทยอยากเป็นเมืองพุทธปะทวงกันอ่าแนวร่วมที่จะเกิดพระศาสนาสมพระสงค์ไปอยู่ทําเนียบรัฐบาลเนึ่ให้พุทธจาสนา ไปเป็นศาสนาประจำชาติแต่ดูแล้วเนี่ยโ อ, โอ้มีแต่แบบนั้นแะแต่ว่าที่จะเป็นตัวศาสนาจริงคือคนมามีน้ำใจนะทำไมไม่เรียกร้องตัวนี้ยว่ามาช่วยกันเถอะช่วยกันอย่าอิจฉาอย่าเบียดเบียนช่วยกันสร้างโลกนะอยู่ที่ไหน พยายามอย่าทำให้ตนเองเป็นทุกข์อย่าทำให้คนอื่นเป็นทุกข์จะไปชวนกันเอาโ น, น่ น, น, นี่ไม่ต้องมีอะไรก็ได้ขอให้มีน้ําใจดีๆเป็นผู้เสด็จที่มีคิตใจดีๆไม่อิจฉาไม่เบียดเบียนไม่ทำํำตนเองเป็นทุกข์ไม่ทาคนอื่นให้เป็นทุกข์เนี่ยไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องไปสร้างพระสร้างรูปอะไรกันมากมาย นี่หลวงพ่อก็พอใจเนี่ยเขาไม่จะลาเก่ามาต่อจะลาให้เป็นบังสุขุนเหมือนกับของพระเขาจะปะที่เป็นเป็นรอยบักรอยหยกหน่อโอ้ย่าไปปะเปนเอาไว้เนี่ยนะอาจารย์นอเทพว่าโอ้สวยดีเอาวางวางแว่นตาวางไว้เองวางแว่นตา อย่าไปทำอะไรจะมันเกินให้มันสมถาัะของเราวัดป่าสุกโตถึงสร้างมาสามสิบกว่าปีก็เท่านี้เลยเราพ่อไปดูวัดหนึ่งอยู่อำเภอเขาพ่อนะสร้างสองปีกับฉันทุ่มไปโอ้สองปีกว่าถ้าจิ้มเงินหนักากกว่าสุกโตอีกเป็นหลายเท่านะ เขาเขาพูดว่าพระสร้างพระเสกพระสวดพระสอนเอาอะไรหนูนะเอาพระ ผ, า, ผาสร้างเลยเอาพระสวดเจียงๆเลยนะเอาหลวงพ่อสวดวิปปชิตให้ด้วยกันหนึ่งให้ร้อยบาทสอนก่อนนะถ้าสวดวิปปชิตเนี่ยถ้าสวดอะไรเนี่ย ให้จะขายสวดแพงหน่อยอ้อาวพสวดอะไรก็สวดกันเป็นแถวไปเลยนะพระเศกเลยเอาเลอนั่งเศกเลยหลวงพ่อเน่เจ็งนะเศกสมัยเป็นโยมไม่ต้องเป็นพระหรอกเศกตั้งแต่สมัเป็นโยมทำพระผงพระอะไรเนี่ยโอ้ยเขียนชกนะชกเดชทำเป็ดไหม เอากล้วยเอากล้วยน้งว่านะเอากล้วยน้ำว่ามามาสากแต่ดแดแห้งนะ แ, แล้วก็เอาว่านเอาเขางาช้างเอาอะไรมาผุนผลนกับอ่านกับอ่า <c oughs> กล้วยน้ำว่ามาบดเจอกันข้าวแห้งเก็วัด ไม่ต้องแบวเข้าเรามาตากนะแพะขอเขาแห้งเขาเจ็ดพระมาบทบวชเราผสมกันดีๆก็มาเสกก็มาเขียนเป็นชกหล่อไปชกก็เขียนถ้าวันไหนใจไม่ดีเขียนไม่ได้นะถ้าใจไม่มีสมาธิเขียนเราก็ตั้งท่าแล้วก็โลภลงหวาดจะได้มาหล่อเป็นพรนะเนี่ยโอ้ทำอยากทุกวันให้เขา เาปัมอปูพเตอร์แปั้มอเป็นปั้มวอเป็นวันละหมื่นก็ได้แต่ก่อนพวกเราทำนพันษาหนึ่งนึงย่างน้อยก็ได้สิบรูปยี่สิบรูปถ้าพระพงเอาพ่อเสกตั้งแต่เป็นโยกเพราะหน่ยพ่อเสกเนี่ยเอาไหมเอาพ่อเสกกระตุกขาถาาแบบไหมพระ สอนนะก็ออสอนเนะ่ะขี้เกียจมาตามวัดเลยโอ้ยเบื่อหลวงพ่อพูดแต่เรื่องเกนะ่าเลยสอนกันนงเนี่ยมีน้ำใจแม้นไม่มีน้ำใจเขาขอให้ได้พูดได้บอกได้สอนนะให้ได้บอกได้สอนความจริงให้ได้ช่วยความจริงอันที่มันเป็นความดี สิ่งดีวัตถุดีคนดีอะไรเช่มันเป็นดีๆอยากช่วยแต่ว่าเป็นอดีเล็กแต่ว่าการสอนเนี่ยขอขอไว้ไปอยู่ใไหนขอให้เราสอนธรรมะจะให้ไปเสกจะให้ไปสร้างอะไรมากมายจะให้ไปสวดเวลานี้ขอ เป็นพรจากเพื่อนเวลามีจิตนนมนที่ไปสวดในบ้าน น, นขอพรจะให้ไปสวดเถอะมันแจ่แล้วให้ให้อยู่ว่างๆซะให้เพื่อนพากันไปซะแมนเขาบ่าบงชื่อให้หลวงพ่อไปสวดก็ขอร้องให้เพื่อนไปแทนมันหมดโอกาสแล้ว <c oughs> นี่ระสวด แล้วก็ต้องสวดนะไม่ใช่ว่า จ, จะไม่สวดนะ <S <S ขบนบนเขาทำบนญบ้างก็ต้องไปสวดอะไรให้เขาขึ้นบ้านใหม่สวดอะไรอ่ะคนตายสวดอะไรละ่ะใช่ทำงานมันถูกถือตระบัดไปสวดงานขึ้นบ้านใหม่เอาเอาเอาตราบัดไปหลังพ่อของหล่อนะ เอาโยมก็ไม่รู้เลยเอาตลบดเาตลอดนะเพื่เจ้าตานะพื้นไม่มีมีคนอะไรโอ้แล้วก็เอาองนเอาเนเงินหงเทียนหงเนี่ยเวลายมไปทำบนบ้านเอาเทียนหงให้เขามันก็ไม่ใช่ต้องเอาเชิงเทียนอันเดียวสองงินคู่เนี่บางคนยกเทียนหงไป หอมไปอรรถใจไปเลยมันไม่ใช่ของบา้านมันอยู่ที่วัดเจีกันคู่หนึ่งเชิงเทียนคู่หนึ่งดอกวชาสักคู่หนึ่งก็พอแล้วจต่ขนไปเราทำมากมายวางคนเขาต้มหมูยกไปทั้งเก้าตัวมีเจ็ดตัวก็เเจ็ดไปเลยเอาสักสามตัวพอแล้ว เราถ้าจะช่วยสอนเขาเวลาเขามายืมอะไรอย่าบอกไปเลยนะเมื่อเมื่อวานเนี่ยเราพ่อไปเก็บอนดามาไปหวานเราจะทำห้องใหม่เขาเลื่อมอนออกมาบ้านก็าีตู้ใหญ่เราพ่อทำตู้สังสีหนูเข้าไม่ได้ตะขายรวดทำเป็นประตูหน้าต่าง เอาหมอนใหม่ใส่ชั้นบนเอาหมอนล่างเอาหมอนเก่าบ้างใส่ข้างล่างเขาบอกข้าไวา้ว่าเวลาแขกมาบางทีมันมีแขกมาแขกทั้งอื่นนะไม่แขกของเราบางกลุ่มอ่าบ้านบ้านดินมาเป็ 70, นเะจ็ดสิบปดสิบะเขาาอยู่ในบ้านเข า, า่าขอพักวะเขา่ข า, าบางทีเขามาเอาเสือไป เาหมอนไว้ก็บอกว่าให้เวลาเขามายืมก็ไปบอกเขาเสือ้อหมวนี้เอาปูสล่างามบอกไปใช่ในบ้านแต่ปูดินหมอนเขาชั้นล่างนี้ให้ไปหมุนชั้นบนเอาไว้สำหรับตอนรับพระถ้าไม่ให้พระมาจะได้เขาว่ายืมอะไรต้องบอกให้ดีด ยาเปล่ากน่นหมอนอยู่สลนู่นไปเอาไม่ได้เขาไม่มีระเบียบเขาไปยิงเสือนู่นเสือสารานู่นหมอนใดนู่นไปเอาไม่ใช่ต้องจัดไว้ถ้าจะเป็นธุระอให้ความสะดวกแก่ญาติโยมก็ต้องบอกเขาสอนให้เขารู้ระเบียบเขาหนึ่งบ้านใหม่คเขาตำบลดุทิ เขาไปเยยมเสือวัดไปชื่อมาใหม่ ห, ห, หลวงพ่อชื่อมาจากบ้านนะนนงาอาเภอเนินจงหวัชื่อมาใหม่เขาไปทามูลบ้านหมฝนตกเหยียบขี้คนเลยปูปู ก, กับดินเลยฝนตกก็ไม่เก็บไม่กู้เหยียบไปเยียบมาฟังเทศตั้งนั้นหลวงพ่อเลยบอกว่าเสือนี่ไม่ต้องออกไปวันเอาไปใช้ซะบอก ไม่ต้องเอาไปกินเลวัดเลยว่ามันเอาไปทาไมมันเปื่อนเสื อ, อกกกมันเปื่อนไม่ใช่ฟาร์มมันซักไม่ได้เอาเอาใช้ในบ้านจ้ะไม่ต้องเอาไปวัด น, นะถ้าไม่เจ็บมาบอกเลยเพราะนั้นเราอนะถ้าจะขอมีส่วนร่วมกับความดีอย่าซ <Yeah. S 1> ื่อบือ้อย่าเฉยเลยของอะไรที่มันความดี สร้างบริษัสร้างชีวิตลอมาให้กับตัวเองกับคุณ ธ, ณธรรมคุณธรรมจริงๆเนี่ยให้เกิดความดีหลายๆอย่างนะไม่ใช่จะมาเก่งนั่งสมาธิรับตทั้งวันทั้งวั น, วนอะไรก็ไม่จูไม่ได้เนี่ยมันเขาใช้ไปได้ก็ไม่ดีมันนะแล้วก็เห็น <S <S เพื่อนเห็นไม่ก็ช่วยเพื่อนช่วยมิด โดยเพราะว่าเรานี่ไม่แขกไปไปมาๆก็ดูแลกันว่างนะดูแลกันว่างพอที่จะจัดที่นั่งให้กวดอะไรช่วยกันเนี่ยนี่มันเป็นเป็นสิ่งเวดลอมให้สหําบเราโดยเพราะภาคปฏิบัติก็สร้างชีวิตลอมให้จับตัวเองดีๆ น้ำใจอย้า้เหื่อแท่งศรัทธาย้ายเหื่อแท่งความเพียรย้าให้เหื่อแท่งสติย้ายเหื่อแท่งกำลังสมาธิที่จะสร้างความดีให้มีย่ามีแต่อยากได้ไม่มีกำลังสร้างกำลังนี่ก็สิอะไรที่เป็นกำลังมาหลวงพ่อได้รับประโยชน์พอสมควร แกงแขนเคยหัหยหนูแกงแขนเนี่ยตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลป่วยนะอาจารย์ต้มพาขึ้นไปชั้นบนไปแกงแขนที่แรกสามรอยข้างไปมาห้ารอยเป็นพันขะ้างนะอะไรที่เป็นพลังให้เรามีสุขภาพดีก็ อ, อย่า ก็เบือ่อเท่าทําบ้างยืดเช่นยืดสายแข่งแขนเนี่ยเมื่อหลงคถือว่าไม่คามสาเร็จพอสมควรแต่ก่อนถ้าหมดแรงจริงๆมันนอนอยู่กับเตียงพอมาแข่งแขนเนี่ยเอ้ามันมีกำลังขึ้นมาก็เลยถือเป็นวัดปฏิบัติปลาตลอดเวลาเท่าทุกวันนี้ ตอนเช้าบางทีต้องพ่อไปมาทำวัดนะคือตีห้าต้องตื่นขึ้นมาอาจารย์ต้องวัดความดันวัดความร้นอนวัดน้ำหนักดูที่ประจนเสร็จแล้วก็แข่งแขนแ ข, นแข่งแขนแล้วก็หายใจมือยืดขึ้นหายใจเข้ายาวๆกันใจไว้ เอามือลงมาขัดกันมลงมาายออกยวๆกันหมดสิหายเข้ายวๆัไมลงายกันสดัแล้วก็เดินจังกรมให้เดินจังกรมให้เป็นวัดอ่าจิตวัดของเราอย่าไปอ้างว่าเหนื่อยอ้างว่ายากให้เพียรลองดูเลย ที่แรกก็ยากเหมือนกันนะหายใจสิบรอบยี่สิบรอบเลยไม่ใช่แรงเด็กน้อยนะถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีกำลังนะไม่อยากทำหรอกถ้าเราทำเลยโอ้มันดีนะนี่สิ่งวแวดล้อมมีขอให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพร่างกายของตัวเองนอกจากมีธรรมะแล้วมีธรรมบาเฉยๆลนวะอ่อนเอขี้โลกก็ไม่ดี ต้องพัฒนาตัวเองหลายหลายอย่างชีวิตของเราเนี่ยมีหลายอย่างที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราอย่างพระธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์ต่อร่าต่อตาเราละเดีวอย่าโกรธอย่าโกรธนะอย่าหลงนะอย่าทุกข์นะถ้าทุกข์เมื่อใดโกรธเมื่อไรหลงเมื่อใด หรือว่าไ ก, ก่จากพระพุทธท่านมาสงแต่แล้วนะอย่าโกรธอย่าหลงอย่าทุกข์อย่าขี้เกียจอย่าขี้ข้า น, นะให้เอาใจใส่แม้จะทำไงก็ตามขอถ้าไม่ทำลายตัวนี้ให้บาบางลงะจะให้ธรรมะมาเกยเราเหมือนยกบันเลยมาพาดขึ้นบ้านเลยมันเป็นไปไม่ได้ ต้องน้อมไปเหมือนกับลาดไปก่อนโบราณเรียว่าหักดาผ้าด้วยเขามันหักไปได้ขึ้นหน้าผาขึ้นมาได้งันทางขึ้นเขาเดิทางขึ้นเขาเดินเขาต้องลาดไปโอ้ไม่โดนมันขึ้นจึงขึ้นได้แต่ขึ้นอย่างนี้มันขึ้นไม่ได้แม้แต่ขึ้นสลาหัวใจต้องสองพักก่อนพักร่างือขึ้นไปเนี่ย พักพลังขึ้นมาเนี่ยชีวิตของเราที่จะเป็นความเหนื่ต้องลาดไปลาดไปลาดไปต่อการวงกายก็ดีน้ําใจก็ดีแม้จะมันจะโกรธก็ทนแล้วข่มไว้แม้จะหลงมันจะทุกข์ก็ข่มไว้อย่าให้มันพุทธออกมาเลยไม่พูดในเวลาโกรธไม่แสดงอะไรในเวลาโกรธเวลาทุกข์ อย่าไปมองอย่าไปทำหน้าเงาหน้างอนขอม่มไว้มันจะลาดอาไปมานก็เป็นคนใจดีเลยนะอะไรก็ปือบปรับปรับปรับปบไม่ได้ เ, เอาหลายๆอยา่างมาถ้าจะขึ้นฝั่งพระเนพพานเนี่ยถ้าลอยคอเนี่ยมันฝั่งมันขึ้นมาแล้วต้องลาดอาไปก่อนพนระเดชพานไปถึงฝั่งแม่แม่น้ำ เดี๋ยวนี้เราลอยอยู่ในน้ำวัฏจัรสงสารต้องแจ่ความเจ็บความตายต้องขึ้นฝั่งน้มันลาดต่อไปกันเวลาเราเก็บเราทำไงเวลาเราแช่เราทำไงเวลาเราตายล้วแต่บอาอะไรมันตายนะยิงๆนะหลวงพ่อเคยเตายโอ้อยเยอะๆพูดแตนเรื่องนี้แหละมันสนุกดีสนุกป่วยนะ สนุกจริงๆการป่วยนย่ใครว่าทุกข์แน่ไม่ใช่เจ็ดขาดไม่แต่ตายก็ไม่ใช่ไ่ใช่เรื่องลำบากมันสะดวกกว่าการที่จะพื้นชีวิตขึ้นมาปล่อยให้มันตายเนี่โอ้ยง่ายทีเดียวเลยนะสนุกกว่าที่จะเอาชีวิตขึ้นมาเมื่อมันถึงข่าววันแปดสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบปอร์เซ็นมันจะตายไปแล้ว เขาขึ้นมาเนี่ยลําบากหน่อยนะโดยพอเรื่องธรรมะเนี่ยอยากจะมีชีวิตเพื่อมาสอนเรื่องนี้ไปไม่อยากมีชีวิตเพื่อจะลงสนานเพื่อเปิดอะไรต่อ Rainbow. อยากจะมาสอนธรรมะเนี่ยว่าถ้ามีใครสอนเนี่ยกะเป็นังไงตัวนี้ก็ถือว่าดีมีเพื่อนมีสงมีหมู่ มีหนูมีแมมมีสภาพสตีมีจานมาสี่คนเนี่ยแล้วมีคนมาเนี่ยพูดกับเสาหงไใจเขาก็ไปดรู้เรื่องแล้วขอบใจมากมากนะเอาล่ะก็สมควรจดเวลาพวกเรากลาบพระพอบึัน